สิกขาบทที่เเรื่องพระชัพพะี633สมัยนั้นพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันรามของอนาถาบินธิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นพวกภิกษุชาวพคีแสดงธรรมแก่คนผู้กั้นร่มบรรดาภิกษุผู้มักน้อยตำหนิประนามพลธนาว่าฉะนั้นพวกภิกษุชพคีจึงแสดงธรรมแก่คนผู้กั้นร่มเล่า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 เรื่องพระชะพปภีจบเรื่องภิกษุหลายรูปหกสมัยนั้นพิสษุทั้งหลายยำเกรงที่จะแสดงธรรมแก่คนไข้ผู้กั้นร่มพวกชาวบ้านจึงพากันตำหนิประนามพลทนาว่าชนไนพระสมณเชื้อสายสกยตบุตรจึงไม่แสดงธรรมแก่คนไข้ผู้กั้นร่มเล่าพวกพิสูจน์ได้ยินชาวบ้านตำหนิประนามพลทนาครั้นแล้ว ภิกษุเหล่านั้นจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบทรง อ, อนุญาตให้แสดงธรรมแก่คนไข้ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมมีคถาเพราะเรื่องนี้เป็นต้นเหตุรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้แสดงธรรมแก่คนไข้ผู้กั้น ร, ร่มได้แล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายยกสีขาบทนี้ขึ้นแสดงดังนี้พระอนุบัญญัติ พึ่งทำความสำเนียกว่าเราจะไม่แสดงธรรมแก่คนที่ไม่เป็นไข้ผู้กันร่มเรื่องภิกษุหลายรูปจบสิกขาบทวิพังที่ชื่อว่าร่มได้แก่ร่มสามชนิดคือวงเล็บหนึ่งร่มผ้าขาววงเล็บสองร่มเสือลำแพนวงเล็บสามร่มใบไม้ที่เย็บเป็นวงผูกติดกับซี่ที่ชื่อว่าธรรมได้แก่พุทธภาสิตธิ์สาวกภาสิทธิ์ฤาษีภาสิทธิ์เทวดาภาสิทธิ์ที่ประกอบด้วยอัด ที่ประกอบด้วยธรรมบทว่าแสดงคือภิกษุแสดงเป็นบทต้องอบัตทุกกฎทุกๆบทแสดงเป็นอักษรต้องอบัตทุกกฎทุกๆอักษรภิกษุไม่พึงแสดงธรรมแก่คนไม่เป็นไข้ผู้กั้นร่มภิกษุใดไม่เอื้อเฟื้อแสดงธรรมแก่คนไม่เป็นไข้ผู้กั้นร่มต้องอบัตทุกกฎอนาปฏิวานภิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอบัตคือ1นภิกษุไม่จงใจ2อภิกษุไม่มีสติ3าภิกษุผู้ไม่รู้